ع و ب الله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناني د ي ب و ت ن อายะที่หนึ่งร้อสามกับหนึ่งรอยสองโดยเฉพาะเรื่องซาฮาบะกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านอับดุลลอฮฺอัลลอฮในสงครามตะบุกและเมื่อนบีได้กลับมาถึงมดีนาแล้วเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ขอลู้แก่โทษอัลลอฮฺสุภาห์นโมตาน โดยที่ผูกมัดตัวเองในเสามัสยิดนบีแห่งหนึ่งภายหลังก็เรียกว่าเสาของอบูลูบาบะเราได้เล่าเรื่องของอบูลเบบ า, บาและซาฮาบะที่ร่วมแสดงความสำนึกกับท่านในครั้งนั้นซึ่งการที่ซาฮาบะได้ได้ประกาศ ประกาศตัวชัดเจนว่าเขาเขาทำบาปทำผิดต่อหน้าสาธารณะเพราะต่างจากมุนาฟิกีนกลุ่มส่วนมากที่เขาไม่ยอมรับผิดแล้วก็ไปบอกกับนบีเหตุผลตามความเข้าใจของเขาว่ามันเป็นเหตุผลที่ถือว่าอย่างนี้เขาก็ไม่บกคร่องเขาก็มีเหตุผลที่จะไม่ไปสงครามกับท่านนะีอ่ะแสดงเขายอมไม่ยอมรับผิดไง มีที่เป็นเหตุผลที่นบีพอฟังได้นบีก็ให้อภัยและมีเหตุผลที่เป็นความเท็จคือเขาโกหกแล้วก็มาสาบานเท็จโกหกกลุ่มนี้ไม่ไม่เขาไม่ไม่ยอมรับว่าเขาผิดซึ่งจะต่างกับกลุ่มของอบูลุลเบบะแล้วก็กลุ่มกลุ่มของกาบบินเดียมะลิกแล้วก็ ม, มีกลุ่มนึงก็คือทำเฉยนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ไปขอโทษกับท่านนบีไม่ได้อะไรเลย มีส่วนมากนี่ในสี่ห้ากลุ่มนี่แหละที่คุตอ่านได้แสดงท่าทีกับเขาเกี่ยวกับเรื่องการไม่ออกสู้รบกับท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮที่จริงเนี่ยเนื้อหาของสุเตาว่าเนี่ยพูดถึงพฤติกรรมของมุนาฟิกีนหลายอย่างหลายอย่างแต่เนื้อหาหลักๆที่ถูกประนามก็คือการที่ไม่ออกไปสู้รบกับท่านนบีศสุลตานี่นี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องหลักจริงให้เห็น ว่าข้อผิดหรือบาปใหญ่ของมุนาฟิกินเนี่ยใหญ่ที่สุดซึ่งซึ่งในคุรอ่านลัคคดีสพูดถึงบาปอื่นๆของพวกมุนาฟิกนิมอิเดฮัดอิเดกะเดบออิเดวะเดกะล้วมีหลายบากที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพวกมุนาฟิกแต่นี่คือเรื่องใหญ่ที่เน้นถูกเน้นในสุรตะบะบางหมายก็คือไม่ทําหน้าที่ปกป้องศาสนาทำไมทาไมพูด ทำไมพูดนะก็ต้องข้อแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องข้อเพราะมันมีอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมัน ม, ม, มือมันจะข้อเองหมายถึงว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยประชาชาติอิสลามที่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อิสลามที่มุสลิมถูกรุมกินโตที่อิสลามถูกทำทำลายไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ย มันเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมเยี่ยงพฤติกรรมของมุนาวิกินในยุคท่า น, นาันเอคือไม่เอาไหนในการปกป้องอิสลามเนี่ยไม่เอาไหนในการรความสำนึกก็ไม่มีจะยอมรับผิดก็ไม่มีอันนี้ซาฮาบ้าที่ตีกตัวออกจากพวกกลุ่มมุนาวิกินนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่ยอมรับสารภาพกับท่านนัพีว่าเขาผิดเขาผิดจริงเขาผิดจริง และถึงขนาดที่ประจานตัวเองนี่มาผูกมัดตัวเองกับเสามสิดนบีเนี่ยอันนี้เท้าก็ประจานตัวเองกันฉันผิดฉันเคยทำฉันมีพฤติกรรมของพวกนู้นที่เขาไม่เอาไหนกับอิสลามไม่เอาไหนกันนบีนี่ข้อแตกต่างซึ่งในในบาปทุกบาปนะสำหรับคนที่สำนึกเนี่ยก็มีสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่จะสำนึกแล้วก็ถูกเปิดเผย กว่าเขาทำแบบนี้ด้วยการลงโทษก็ดีหรือด้วยการสารภาพก็ดีอย่างเช่นเรื่องซินาสมัยท่านนาบีสุลต่านก็มีกลุ่มที่ทําซินาแล้วก็ไม่ได้ไม่ไดีมาสารภาพกับท่านนาบีแล้วก็ไม่ได้ขอที่จะลงโทษถูกลงโทษและมีกลุ่มที่มาสารภาพกับนายพิษแล้วก็บกวขอใถูกลงโทษกลุ่มที่มาสารภาพขอให้ลงโทษแน่นอนสังคมก็รู้นี่ทุกถึงทุกวันนี้เนี่ยก็รู้ว่าเขาทํำซีนาแต่ในขณะเดียวกัน การที่เขาสารภาพถึงแม้ว่าการสารภาพจะทําให้เขาเนี่ยถูกประจานประจานนี่หมายถึงว่าความชั่วของเขานี่ถูกเปิดเผยไปแล้วแต่สําหรับผู้ศรัทธาคนที่ทำศีลนาเนยียงมากอ้สุลต่านกะอมิดียเนี่ยหรือกลุ่มซาฮาบะทีพลาดกับ น, นบีทําบาปใหญ่ไม่ออกไปสู้กับท่านนบีแต่เขามาสารภาพแล้วก็ถูกประจานนะนะพวกนี้นี่มีบุญคุณกับเรามีบุญคุณกับเราถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทําบาปอะไรเหมือนเขาเลยนะ เขามีบุญคุณกับเราเพราะเขาสอนอะไรหลายอย่างกับเราสอนว่าความสำนึกและการเต้าบัด ต, ตัวนี่จำเป็นต้องไม่อายในเมื่อเราได้ทำผิดแล้วเราต้องรับผิดชอบเพราะการที่เราอีตอนอีตอนทาบาปนี่มีอายแต่อีตอนจะเต้าบัดนี่เนะี่โอ้ยอายๆายฉันไม่ทำฉันไม่กลา้าฉันไม่กลา้า อีตอนทำบาปนี่ไม่อายไม่อายอัลลอฮ์นะ อ, อีตอนจะเต้าบาด ต, ตัวนี่เนี่ยอายอไม่เอาไม่อายเคย ร, รู้แต่สุภาพบุรไม่สนถ้าฉันจะเต้าบาด ต, ตัวและการเต้าบาด ต, ตัวเป็นประโยชน์สําหรับฉันและสำหรับสังคมเนี่ยฉันยอมยอมไปสารภาพกับท่านนาบีแล้วก็มีดี้นี่ผู้หญิงนี่ที่ทํำศีนานี่ไปหาท่านนาบีนบีก็คืออยากจะไม่อยากจะให้เขาโดนลงโทษนะ เธอตั้งคันไว้เนี่ยไปไปคอดไปไปคอดก่อนเก้าเดือนถ้าเธอไม่ได้มาหาท่านนบีนบีก็คงไม่ไม่ได้ไปไล่ล่าไปตามมานี่เปล่าพอตั้งคันแล้วเนี่ยเอาลูกมาอุ้มลูกมานบกีก็ลูกเธอเนียงลูกอ่อนให้กินนมจนจนหย่านมอีกสองปีสองปีนี่ถ้าเธอหนีไปเลยเนี่ยไม่สนใจเนี่ยก็ไม่มีใครจะไปไล่ตาม มาแล้วสองปีนี่อุ้มลูกแล้วก็ลูกมีนมปังชิ้นหนึ่งแสดงว่าหย่านมละและยืนยันกับท่านนบีคำเดียวอักิมมาและเฮลฮัตนบีได้โปรดดำรงหรือปฏิบัติการลงโทษกับดีฉันด้วยกี่ปีตั้งขันก้าเดือนให้นมสงก็เกือบสามปีคิดดูดิมนุษย์มนุษย์ที่วนอยู่กับ บาปที่ตัวเองได้ทำสามปีไม่ลืมสามปีไม่ลืมนะแลวไม่ลืมแปลว่าฉนนี่ิแค่นึกถึงบาปอย่างเดียวแล้วอันนี้ใครใคก็ททำได้ไอ้สามปีนี่รอจังหวะแล้วเวลาที่จะต้องไปหาอาีและก็ต้องถูกลงแล้วก็รู้เนี่ลงโทษนี่คือควางด้วยหินจนตายต่อหน้าสาธารณชนนี่ก็เหมือนกันกบูรบาบาและก็พวกถูกมัด ก็หมายถึงว่าคนที่สัญจรเดินไปเดินมาในเมซินเนี่ยอ๋อนี่แล้รพวกพวกที่ไม่ไม่เอาไหนพวกที่ไม่ได้ออกไปร่วมกับเราพวกที่แน่นอนจึงมีกลุ่มไอ้พวกมุนาฟิกที่มันไม่ได้มาสารภาพกับท่านนบีนะที่ที่เก็บตัวแล้วก็รู้ว่าถ้าสารภาพนี่ออันนี้งานเข้าแน่นอนออกซ n เ็ เราถูกประจานในมาดีนาะทั้งหมดเลยเนี่ยเราขายหน้าชาวบา้านเขาก็บอกว่าเพราะอะไรออก็เพราะก็เพราะไอคนตอนนั้นนายอบูลบูบะไปเป็นมัดตัวที่มัสิทิ์แล้วใช่ไหะแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศเตบัดยังไม่ได้ประกาศาองนารับเตาบัดตัวเขาบอก็นี่ไงไพศาลบับแล้วสุดท้ายโดนทิ้งลอยแพนี่ไง กลุ่มเดียวกันนที่ไม่ได้ออกเหมือนกันนะไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีแต่สุดท้ายยังไงถูกมัดแล้วกนบีทิ้งไม่มสนใจตอนนั้นยังไม่มียังนบียังไม่ได้แจ้งตบตัว l l a h سبحانه และจงประทาลงมาอยนนี่อลัมยลัมอัน h هو يقبل خ ا ل ص ق ا ل ل ه هو ا ل ت ب ح ي พวกเขาไม่รู้หรอกหรือ ไอ้พวกมุนาฟิกที่กาลังกนกแหนอีกกลุ่มนี้เขาไม่รู้หรือว่าอันละลอห์หัวยักบลุตเตวบะแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรับการสานึกผิดจากปวงเบาของพระองค์ว่าและยักบุสอดะกอตและทรงรับบรรดาสิ่งที่เป็นทานซอดะกอทั้งหลาย و َาَ ن َ ا, ن أ, ن ن ن ن أ ل َ ل َّ ه ُ ٱلْحُوَّا ٱلْتَوَابُ ٱلرَّحِيمُ ْلاَتَجِنَّ ٱ ل ْ คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสม น, นักมูฟัสซีรินกลุ่มหนึ่งบอกว่าอยายะนี้นี่เกี่ยวกับพวกกลุ่มมุนาฟิกที่ไม่ได้สํานึกผิดและไม่ได้สารภาพและตําหนิกลุ่มที่เขาไปสารภาพเขาก็นี่เปลืองตัวเปล่าไม่ได้อะไรเลยไปมัดตัวไปแล้วแล้วก็ยังเสียตังค์ด้วยให้ได้นบีเพราะเพราะอบดุลละบอกว่าฉันจะอุทิศทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการสํานึกผิด และนบีบอกว่าหนึ่งในสามก็พอเฮ้ยนี่ไงมัดตัวถูกประจานสุ้านี้ก็ต้องเสียตังด้วย <c oughs> อายานี้เป็นการตอบโต้กลุ่มนี้และจะเป็นการตอบโต้ทุกกลุ่มที่ยืนเคียงข้างชัยตอนเป็นปฏิปักษ์กับบรรดาผู้ศรัทธาที่พลาดและสำนึกผิดและต้องการกำลังใจ แต่คนเหล่านี้เนี่ยจะยืนข้างเคียงเชยตอนเนี่ยบรรทอนกำลังใจของคนที่อยากจะสมนึกผิดซึ่งมีในสังคมไม่น้อยไม่น้อยคนขูพาดไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ก ร, รุณาให้หัวใจของเขาเนี่ยได้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์จะเต้าบัรตัวมาเจอพวกนี้กี่มากน้อยนะครับพี่น้อง คนที่จะสํานึกผิดจะเต้าบัดตัวจะกลับเนื้อกลับตัวนะก็มาเจอพวกนี้เฮ้ยอลิมอเลิมเหลือเกินอึ้งอนี่จะได้อะไรแกจะได้อะไรแล้วสุดท้ายเป็นยังไงผลงานน่ะคือคือผลงานของเชตอนุ่นๆเลยเชตนต้องการเชอนต้องกา ร, ร, ต, ต, การต้องการที่จะไม่ให้หน้าภากของผู้สถานี่กราบสู่อยู่ในอัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายของเชรตรแม่บีบอก คือถ้าในวันนีเราไม่รู้ล่ะเจตนาของเชตตอนนี้เนไงในว่าพอมุสลิมผู้สํทุกคนนี่พอสุญญ์นะเชตอนเชตตอนนี้ก็จะตะโกนเสียใจหายันะฉันประสบแต่หยันะฉันเนี่ยถูกสั่งให้สุญญ์แล้วฉันไม่ยอมแต่พวกนี้เขาถูกสั่งให้สุญญดแล้วเขาเขายอมฉันหายันะแน่นอนแสดงว่าเรารู้ว่าเชตตอนเนี่ยต้องการไม่ให้เราสุญญ์ ไม่ต้องการให้เราสุดจกี่มากน้อยในสังคมแกงสมมตนินะไปเล่นบอลไปดูหนังไปกินกาแฟาไปอะไรก็ตามแล้วก็มีคนหนึ่งในแกงไอ้เวลาละหมาดดุไปละหมาดเฮ้ยละหมาดดไปกับบ้านค่อยละหมาดกับบ้านค่อยละหมาดกัานอะไรตอนมาตรงนีมีที่ละหมาดที่ไหนล่ะไม่มีที่อ่านว่าละหมาดก็ไม่มีที่รู้แต่จิ๊บโบนน์เรื่องเรื่องเรื่องละหมาดนีน่การเป็นเรื่อง เป็นเรื่องยากกว่าที่เดินทางกันมาเป็นสิบสิบกิโลนี่มากินกาแฟไอทีไอทุกอุปสรรคนี่ในการที่จะรวมตัวแล้วก็ทําอะไรที่มันสนุกสนานนี่นะว่าจะไม่มีอุปสรรคแต่พอจะละหมาดนะอะไรอะไรหลายอย่างมันเกิดขึ้นะมาที่ไหนมีที่ละหมาดมันที่สุยมี้ยวละหมาดทั้งนั่งใเรื่องละหมาดนี่นบีเคลียให้ทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดแล้วบางคนที่ไม่อยากให้เราละหมาดนี่นะราะว่า คนนี้เนะี่ยรูปร่างเป็นมนุษย์แต่จริงเนี่ยเขากำลังทำงานแทนเชตตอนแท้ๆเแล้วว่าเพื่อนคนไหนที่ไม่ให้ละหมาดนี่นะตัดขาดแลยเพื่อนคนไหนนะที่ไม่ละหมาดนี่ก็เชตตอนอิบลีสเนี่ยอยู่ในคราบมนุษย์นี่รูปร่างมนุษย์เพื่อนแต่เขาไม่ละหมาดหรือไม่สนับสนุนให้เราละหมาดต่างอะไรก็บเชตอนนะครับเป็นเพื่อนได้ไงเอามาเป็นเพื่อนได้ไง อัลลอฮฺบอกว่อนชัยตานะลูกมาดุชัยตอนี่เป็นสัตรูพ่อเลเป็นสัตรูพ่ออัลลอฮฺอยาอัลลอฮฺอยากจะให้เรานีเสวามีพรกตอพระองค์แต่ชัยตอนเนี่ยไม่อยากไม่เอาเพื่อนที่ทําไม่อยากให้เราละหมาดเพื่อนที่อยากให้เราทําบาปเพื่อนที่ดึงให้เราทําบาปเป็นเพื่อนไม่ได้คบไม่ได้ซึ่งเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยเราทุกพิจารณาให้ดีเพราะในสังคมนี่เขาจะสอนเขาจะสอนเราเรื่องเพื่อนที่ ที่น่าคบไม่น่าคบในไอเรื่องไอเรื่องที่สังคมมักจะพูดะนะไอเพื่อนแบบนี้มันคบไม่ได้ทําไมขี้เหนียวไอเพื่อนแบบนี้มันคบไม่ได้ทําไมเฮ้ยถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่เคยช่วยไม่เคยช่วยกูเลยหมาถึงเวลาไปยกตีสถาบันกันเนี่ยมันไม่เคยไปด้วยกั น, นพวกนี้นคบไม่ได้เออมันไม่ตาซุมอ่ะไม่ไม่ไมเออ มันสถาบันมันไปอากูแล้วอะพอจะยกทัพไปตีสถาบันเนี่ยมันมันมันไม่ไปแสดงว่ามันไม่เลื่อมใสในกลุ่มเนี่ยอีกกลุ่มนึ่งอ่าเฮ้ยบิ๊กบอสเขาบอกว่าเราเนี่ยทุกคนเนู่ตรงไว้ผมนะทำไมจะเป็นสนัญลักษณ์ของของทีมเราเนี่ยตรงไว้ผมคนผมไม่ไว้ไว้มึงไปเลยคบไม่ได้คนแบบนี้สังคมนี่โดยเฉพาะสังคมเยาวชนและวัยรุ่นก็จะถูก ร่างสมองเนี่ยให้ไอเรื่องครบไม่ครบนี่แคอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยไปขอลายให้หน่อยขอเบอร์ให้หน่อยเฮ้ยไม่เอายุ่งกูเนี่ยนี่นะ่เพื่อนแบบนี้นะ่ยไม่น่าคบเลย <c oughs> เฉแลยเพราะไม่ช่วยไม่ช่วยเขามีกิ๊กมีเพื่อนเพศตรงข้ามเฮ้ยเพื่อนแบบนี้คบไม่ได้แบบนี้สังคมวนอยู่นี ไ, ไหมละ่ะละหมาด เฮ้มึงไม่ต้องละหมาดเอาไปละหมาดที่บ้านไอ้มึงอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนคบไม่ได้แทนที่จะช่วยนะแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้ละหมาดนะแต่ผู้ศรัทธานี่รู้ใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้มิตรแท้นี่ที่อัลลได้บอกว่าอัลอคิลาอยมาอิดนบางหมลบานดูอิลัลมุตีนไอ้มิตรแท้นี่วันกียามันยามาอิดินเป็นสตรูแท้ๆกันเลยทาไมอ่ะเพราะต่างคนอยากจะเข้าสวรรค์ ผิดใจอะไรกันนะโง่นวันเกียมานี่เอาทุกทุกเสี้ยวเลยเอาคืนหมดลเลยมึงกูจะไปละหมาดแล้วมึงไม่ให้กูละหมาดนี่ไงไบาปที่กูทำนี่มึงนี่แหละอะ่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้จะเอาคืนอิลลัลมุตตะกีนยูกเวนผู้เยีมเกรงอัลลอฮ์คนที่เป็นมิแ ท, ท้ในฐานะผู้เยี่มเกรงอัลลอฮ์นี่ยเขาจะไม่เป็นศัตรูในวันเกียรมาถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่บาดมาหมางกันแล้วนี่นะ วันเกียมานี่จะมีสะพานไม่ใช่ซีร์อดนะสะพานก่อนก่อนเข้าสวรรค์ซีร์อดนี่คนที่ผ่านนี่คือคนที่เข้าสวรรค์ผู้ศรัทธาที่เข้าสวรรค์พอผ่านแล้วนี่ผู้ศรัทธานี่ที่ยังมีอะไรติดใจกันอนะ๋อแล้วบอกเขายังเข้าสวรรค์ไม่ได้ต้องเคลียร์กันต้องทุกอย่างอุลลามะเดี๋ยวพ่อเพราะอุลลามะบอกว่าสวรรค์ น, นี่มันเป็นเป็นสถานที่แห่งความดี และคนที่จะเข้านี่ต้องเป็นคนดีดีร้อยเปอร์เซ็หัวใจเขาจะต้องไม่มีอะไรที่มีนี่ที่เป็นมุนทินเรื่องแค้นเรื่องเรื่องเกียรติชังเรื่องอะไรนี่อันนี้ต้องไม่มีอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับบอกกับพวกที่ ก, กาณาเกณฑนะมุนาฟิกี ก, กาณนะาเกณฑ์ซอฮาบะดีสำนึกผิดเนี่ยพวกเขาไม่รู้หรือว่าที่เขาทําแบบนี้เนี่ยขอลนุกะโทษที่เขาเตาบาดตัวนี่ เขาทำถูกเขาทำถูกแล้วเขามาถูกคางแล้วเพราะอัลลอฮ์รับความสำนึกผิดของเขาแล้วนี่ที่เขาบอกว่าเนี่ยแล้วได้อะไรได้การตอบรับจากอัลลอฮ์การตอบรับจากอัลลอฮ์แล้วพอเขาตาบัด ต, ตัวแล้วแล้วก็บอกกับท่นานนบีอุทิดรัพย์สิสนฟิซบีลละนบีนบีก็รับสอดกะอัลลอฮ์ใช้ให้นบีรับสอดกะ และอัลลอฮ์นี่บอกใจเขาว่าอัลลอฮ์ก็รับด้วยนะว่ายะาขุดุสสอดะก็อตอิมามครูุบีได้บอกว่านี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้รับสอดะก็รับทานด้วยตัวพระองค์ท่านเองซึ่งมีหลักฐานในฮะดีสลายบทที่มีในบันทึกของบุครีท่านนบีลลัลลอฮอลียลัวัลลัมอินนัลลอฮะ ยากบาลุศรดาก็แต่บีไม่มีนี่แท้จริงนั้นอัลลอทรงตอบรับศรดาด้วยประหัตขวาของพระองค์มีรายงานโดยตบบรอนีสายรายงานไม่ค่อยแข็งแรงมากนักแต่เห็นอุลมามะเขาก็อ้างหลักฐานนี้อย่างอิบนุกเซียนี่ก็เอาหะดีษนี่มามาพูดกุรตบีก็พูด แล้วก็มีอลมาหลายท่านในหลายตำราในขบวนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้วิจารหดีก็แสดงว่าเนื้อหาเนี่ยมันมันไม่ได้ผิดอะไรแต่เนื้อหานี่มันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจอันดีีบันทึกโดยมมตบรานีท่านนบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิซลม่าว่าอินนัศดกตะกอฟียัดิละฮิับละยดิสซาอิลีศดะกานี มันไปหล่นอยู่ที่ประหัตขององค์ก่อนที่จะตกไปหล่นอยู่ที่มือของคนยากจนทำไมที่ว่าการที่เราได้ให้สตอร์เนี่ยคือในรูปแบบในก็ตามนะแต่อันนี้ในรูปแบบทั่วไปที่มันคือก็คือมือบนเนี่ยก็จะให้มือล่างใช่ไหมมือบนจะให้มือล่างเราเข้าใจว่าไอ้สตกร์คเ น, นี่นี่ไงเราจะไปให้มือ คนยากจนนี่แล้วก็คนยากจนนี่พอรับแล้วเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ตอบรับสุนัขแต่ฮะดี น, นี่เนี่ยมันให้อีกมโนภาพหนึ่งซึ่งมันมันน่าสนใจมากสุนั์เนี่ยก่อนที่จะถึงมือคนยากจนเนี่ยอลัลลอฮ์รับไปก่อนแล้วแสดงว่าสาุนัขนี่มีอยู่สองอย่างที่เป็นรูปธรรมนั่นนะ่ะคือตังที่มันกับ คือไม่ต้องจินตนาการมากในรูปแบบนี้นะเพราะสมมติเราจะมีคนบอกว่าเาแล้วก็จะโอนละ่ะแล้วจะโอนละ่ะแล้วจะเป็นบิตคอยละ่ะไม่จบกับพวกนี้ไม่ต้องก่อนที่จะถึงมือสะอกอที่เป็นรูปธรรมนี่นะอันเนี้ยถึงมืออันนี้แน่นอนเพราะเราเห็นนะเห็นกระดาษไงออกมาเนี่ยถึงมือคนเนี้ยแต่สะอกอที่เป็นนมามธรรมถึงมืออัลลอฮ์ก่อน ทังเมื่อลอและอันนี้แหละที่บันทึกของบุคคลีที่ท่านนายวิศว์ก็เสนอมาว่าเรารับ صدقة ด้วยประหัตของพระองค์ฝยูรบบีฮาก็มายุรบบีอัพหดุคุมมหาระหุและพระองค์นี่จะเอา صد กันนี่ล่อเลี้ยงเปรียบเสมือนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนี่เลี้ยงลูกม้าลูกม้านี่สําหรับอาหรับนี่เลี้ยงเหมือนลูกตัวเองและบางทีเลี้ยงยิ่งกว่าเลี้ยงดียิ่งกว่าลูกลูกแท้ๆของตัวเอง น บ, บีก็เปรียบเทียบมาดิวอัลลอฮ์ใส่ใจสอดคอกใส่ใจสอดคอกที่เราทําเปรียบเสมือนตอนที่เราเ น, นี่มีลูกมาแล้วกว็ใส่ใจดูแลเลี้ยงดูแลลูกมาตัวเนี้ยอย่างดีอัลลอฮ์เลี้ยงสอดคอกของเราให้ดีบางโรงงานฮาวาริสเนี่ยผู้บริจาคบริจาคลูกมาลูกมาไปว่าอาหารคำหนึง่งเปรียบเทียบมาลูกมาบางโรงงานบอกว่าต็มมรดได้บริจาคต็มรเนี่ย ไม่เดยียวเนี่ยที่อัลลอฮ์เนี่ยรับมาด้วยปรางพระองค์งนะและห ล, ล, ล, ล่อเลี้ยงฮัตตาตซีโรมิสลจเบลอูฮุดจนกระทัง่งไอคำคำเนี่ยริมปลาเม็ดเดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์หลอเลีล้ยงซาตะก้อนี้นะจนกระทั่งซาตะก้อนี้จะมีขนาดเท่ากับภูเขาอูฮุดภูเขาเนี่เขาเราเคยอธิบายแล้วนะภูเขาเนี่ยในมนุภาพของคนไทยเนี่ยที่เราเห็นกันนะผู้ ภูเขาเป็นลูกลๆอะลูกไม่ภูเขาเนี่ยในในในคำนิยามทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์หรือในภาษาอาหรับเนี่ยจ้าบอลเนี่ยมันไม่จะเป็นตุ้งลูกเดียวนะมั้ภูเขาโอ้โหดเนี่ยมีความกว้างหลายกิโลมีความยาวหลายกิโลนั่นแหะลูกหนึ่งภูเขาโอ้โหดไม่ใช่ภูเขาลูกๆเล็กๆในอย่างที่สตูเนี่เล็กๆแค่นี้ก็ภูเขาเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่ท่านในว่าเจ้าบอลโอ้หดอ้โหดนี่ให่ ใหญ่มากซะแม่ดิมพลำจะกลายเป็นบุคคลยังไงอ่ะเนี่ยสอดคล้องที่เป็นธรรมธรรมและอนเนี่ยข้อแตกต่างอ่ะที่เ AH อรรอากจะบอกว่าถ้าอรรถตอบ ร, บรับแล้วเตาบ้านนี่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่สํานึกผิดแล้วกับคนนี่ไม่ยอมสํานึกผิดนั่นบูฟัสซีนบางท่านบอกว่าไม่ใช่อาย่านี่ไมไ่พูดถึงพวกนู้นเลยพวกมุนาฟิกินที่กะนะันนกกันแหน ซาฮาบะที่สํานึกผิดนี่ไม่ด้พวกนี้เนี่ยไม่มีราคาเลยอัลลอฮ์ไม่ไม่แคร์พวกนี้หรอกแต่อัลลอฮ์กำลังแจ้งข่าวดีกับซาฮาบะที่เข้าพลาดแล้วไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีแต่เขาสํานึกผิดสํานึกผิดแล้วชัยตอนเนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาแล้วเขาจะได้อะไรล่ะแล้วเขาจะได้อะไรล่ะ ถ้าเขาเต้าบาด ต, ตัวแล้วเขาสํานึกผิดแล้วพระองค์ก็บอกว่าไม่รู้หรืออะไรม่หยาแล้วมพวกเขาไม่รู้ดอกหรือไม่ไม่รู้กันนะว่าจะได้อะไรนี่ไงได้เนี่ยยักบตตัลุดเต้าบกัตรนย่ลราตอบรับเตา้าป่ะนี่แต่กายานี่เนี่ยอุลามาด้บอกว่าถ้าผู้ใดได้เต้าบาดตัวครบเงื่อนไขของการเต้าบาดนี่นะแสดงว่าเต้าบาดของเขาเนี่ยการกลับเนื้อกับตัวของเขาเนี่ยถูกตอบรับอย่างแน่นอน แต่จำเป็นต้องครบเงื่อนไขถึงแม้ว่าเขาเต้าบัดตัวแล้วก็ภายหลังเาก็ทำบาปอีกถึงแม้ว่าทำบาปอีกและเต้าบัดตัวอีกแต่ครบเงื่อนไขนะอัลลอฮ์ก็จะเตาบัดตัวอีกใอ้แบบนี้เตาบัดตัวเดี๋ยวก็กลับไปทำเดี๋ยวก็เต้าบัดตัวเดียวก็ไปทำแบบนี้ชิรตอนเขาจะคอยคอยป้อนข้ออ้างบาดซบ ทำแบบนี้เด็ก็เต้องบัดตัวตก็ทําบาปอย่างนี้เง็ก็เล่นการล่อเนี่เอาเรื่องตัวบาปนี่มาทำเป็นเรื่องเล่นถ้าอย่างนั้นไม่เตาบัดตัวฉันจะทําบาปจนกว่าจะชั่วชัวเอาแบบชั่วชัวไอคนพวกนี้นะ่ะไม่เคยชั่วเสทีทีก็ทําบาปตลอดชีวิต<ม>เพราะอะไรอ่ะเพราะโดนลูกหลงของเชยตอนแล้วก็ยอมหลงยอมห ล, ลงตามเชยตอนก็คือเออ ถ้าจันเตาบัดแล้วก็กลับไปทำอีกแล้วก็อะอย่างนี้มันไม่ซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์จะทำยังไงดีอะ่ะเฮ้ยต้องตรงซื่อสัตย์ดิเาแล้วก็จะทำยังไงอะ่ะทำบาปไปก่อนนะทำบาปไปก่อนแล้วคยซื่อสัตย์จะได้เตาบัดตัวโดนเกมช่วยตอนแบบนี้คนที่พยายามนึกว่าตัวเองฉลาดเคยเจอพี่น้องก็เขาเขาเขาเขาเป็นคนดีนะแต่เขา เขารู้สึกว่าทุกอย่างต้องเป็นเหตุผลเขาก็สูบบุหรี่ต่อหน้าผมเขาก็เช็ครู้ไหมผมเนี่ยรู้ว่าเช็คไม่ไม่ชอบคนที่สูบบุหรี่แต่ผมเนี่ยจะไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่ต่อหน้าเช็คทําไมอ่พะพอผมถ้าจะเตาบัตรตัวนีผมผมไม่กลัวเช็คผมกลัวล้อยอย่างเดียวถ้าจะเลิกหนี่ผมก็จะต้องเลิกเลิกเชิงลับแล้วก็เชิงเปิดเผยด้วยแต่ในเมื่อ ผมยังไม่ต้อบาป ต, ตัวเนี่ยฉันจะฉันก็จะต่อหน้าคนเหตุผลเขาเข้าใจ <c oughs> ว่าแบบนี้เนี่ย <c oughs> เขาเขาซื้อตรงไงไหมายถึงเง่าเสมอต้นเสมอปลายต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วต่อหน้าคนนี่นะก็ทําบาปไม่ใช่ไม่ใช่รับรับรับหลังนี่ทําบาปแต่ต่อหน้าคนนี่ไม่ทําบาปไอแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้มูนาฟิกเขาเข้าใจอย่างนั้นนั่นก็เป็นเข้าใจเป็นความเข้าใจที่ดูเท่นะเขาดูดูเท่ แต่นี้นี่ก็คือหลุมพางของเชื้อตอนเหมือนกั น, นเพราะอะไรเพราะการที่ไม่ละอายตอนหล่อรับหลังหมถึงว่าอยู่คนเดียวก็มาละอายตอนหล่อแล้วก็ต่อคนก็ไม่ละอายด้วยนะอันนั้นนะคือแย่ที่สุดแย่ที่สุดคือเขาอ่านอายในกูอ่านในสุรัตไม่ได้จะเจอนนี่อัลกูนมานอัลลอฮฺเขาจะแอบทําบาปไม่ไม่คนเห็น แต่ไม่ไม่แอบหาที่ทําบาปที่อัลลอฮ์ไม่เห็นเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์เราแอบทําบาปโดยที่ไอ้คนไม่เห็นแต่ยังไงอัลลอฮ์ก็เห็นถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ต้องแอบเลยสิเราก็ต้องทําให้ให้อัลลอฮ์เห็นและ้ะไงมนุษย์เห็นจนกว่าจะซื่อตรงแล้วก็ไม่ทําบาปเลยถ้าไม่อายอัลลอฮ์แล้วก็ไม่อายคนนี่นะอันนี้เนี่ยคือแย่ที่สุดเลยถ้า อาจทำไม่อายอัลลอฮ์และก็ยังพออายคนน่นนะอันนั้นในยังยังพอมีความดีระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ความละอายต่อคนเนี่ยมันอาจจะเป็นขั้นตอนสู่ความละอายต่อเอาก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มีในสุนนะของท่านนบีมีมากมายซาบะที่อายไม่กล้าทําอะไรต่อท่านนบีซาสันนี้มีเยอะแยะอายผู้รู้อายคนดีอายคนในสังคมนี่ถือว่าเป็นเรื่องดี ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะถ้าเราอายคนนี่ก็แสดงว่าเรายังมีน้ำยางอะเรายังมียังมีความสำนึกอยู่ในหัวใจของอาจเป็นขั้นตอนสู่ความละอายต่อเนาะในวันหน้าก็ได้ฉะนั้นอย่าอย่าหลอกตัวเองโอ้ฉนันไม่อายอัลลอฮ์ตายคนโอ้ยงัไม่ดีเท่านั้นนะฉะนันทําแอบกินเหล้าเนาะต่อไปนี้ไม่ต้องแอบแล้วกินเหล้าต่อหน้าสุเราเลยทําไมมันต้องเสมอต้นเสมอปลายแอบแ อ, บแอบนั่นนหะ คืออัลลอฮ์นี่อาจจะอภัยนั่นแหละก็แต่ถ้าคนนไหเห็นเราบาังอาจขนาดนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ทรงเมตต า, อางอัลลอฮก็อัลละฮ์ก็อาจจะประวิงเวลาให้เราแต่ถ้าเราบาังอาจทําบาปต่อหน้าคนเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์นะคนนี่ถ้าเจอคนบังอาจแบบนี้เนี่ยก็กเกกกะ บ, บ้านอย่างเดียวและอายต่อคน <c oughs> อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราลายต่อหรอเหมือนซาฮาบะ คุณนี่เราได้อะไรกันนี่นะเราเราถูกบ้านหรือเราได้อะไรอัลลอฮฺกระน้บอกว่ายักบาลด์ตัอบบะต์อย่างบ้าดิแค่อัลลอฮ์ตอบรับเตาบ้านนี่อันนี้ถือว่าถือว่าเป็นถือว่ า, ว า, วาเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วเอาแล้วเราจะรู้ยังไงก็อย่างที่บอกปฏิบัติเตาบบะเหี่ยงครบถ้วนเงื่นอนไขครบถ้วนนะมั่นใจว่าการเตาบัตอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาอันตอบรับ ว่าครูสอดคอเช่นเดียวกันสอดคอหนีเหมือนเต๋อปถ้าเราได้สอดคออย่างครบถ้วนเงื่อนไขของสอดคอเงินก้อนละลบริสุทธิ์ใจนะทุกอย่างนี่เข้าล็กเข้ารูปแบบของสอดคอที่ถูกต้องอนะัลลอฮฺก็จะรับถือว่าสอดคอหนีถูกตอบรับและสําหรับมุนาฟิกีนอีกกลุ่มหนึน่งที่เขาเขาเห็นว่าที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไปสู้รบกับท่านอบีนั้นไม่ได้เห็น ไม่ได้เป็นเรื่องบาปหรือผิดอะไรใหญ่โตเขาก็ไม่ได้มาสารภาพกับท่านนบีไม่ได้สำนึกผิดกับท่านนบีอัลลอฮ์ سبحانه ละ تعالى ก็เลยเตือนกลุ่มเหล่านี้เพราะกลุ่มเหล่านี้บอกว่าไม่ได้ทําอะไรนี่เราไม่ได้ทําะไม่ได้ทำบาปไม่เห็นมีอะไรนี่อัลลก็เลยเตือนพวกเขาว่ากูลีอาลัยฟาเซยรัลลอฮฺอาละกุมวาระซูลฺฮฺวะลมุอฺมินุน ว่าจะตรดีนอิละ ع ا ل ลึ่งไบบิวและ شهاد ต์ในยุนบิอุคุมบีมาคุณตุมจะมาลุงคลาวดดโอ้โมฮัมหมัดว่าก่ากับพวกเนี้ยพวกที่ไม่สำนึกผิดและไม่เห็นว่าการกระทำของเขาเนี่ยมีบาปแต่อย่างใดบอกกับเขาอ่ะพวกท่านจงทำงานเถิดทำสิทาต่อไปนะถาน้าไม่กลัวตัวเองนี่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วนี่ทำต่อไปนะ เฟลอมัลลคุมแล้วอัลลอจะทรงเห็นการงานของพวกท่านเพราะแน่นอนสิ่งที่เขาทำและเขาไม่สำนึกผิดในมันเป็นเรื่องบาปอัลลอฮฺก็บอกว่าถามต่อไปดิอัลลอก็อัลลอฮทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าทำเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายอัลลอฮฺเฟซายาะอัลลอมัลคุมแล้วอัลลอจะทรงเห็นการงานของพวกท่านวรซูลู แล้วรูลของพระองค์ก็จะเห็นหมายถึงว่าในชีวิตของท่านนาบีก็จะเห็นวัลหมู่มินูนและบรรดาหมู่มินบรรดาผูา้ศรัทธาก็จะเห็นเช่นเดียวกันจะเห็นการงานของพวกเจ้านี่แสดงว่าอัลลอฮฺสุภานัลฮวดาล์ให้ความสําคัญให้คุณค่ากับการมองเห็นของผู้ศรัทธาต่อการงานหรือพฤติกรรมของคนอื่น ซึ่งสำนวนนี้เนี่ยเป็นสำนวนอบรมที่เราเตือนทุกคนนี่เพื่อให้เขาสํานึกสํานึกต่ออัลลอฮ์สำนึกต่อรัชูาและสํำนึกต่อสังคมผู้ศรัทธาด้วยกลัวอัลลอฮ์บ้างสิไม่อายนาบีหรือไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่อายนาบีนี่ไม่อาไม่อายชาวบ้านบ้างหรือนี่ที่ผู้ใหญ่พูดหล่ะผู้ใหญ่นี่เขาสืบทอดคําเตือนแบบนี้นี่ม่ ไม่กลัวตัวฮั่นแล้วกม่กลัวชาวบ้านด้วยที่เราถูกเอาแบบนี้ก็อนี้แหละทําอะไรก็ทําไปสิอัลลอฮฺก็รู้รมสูลก็รู้บรรดาผู้สัทธาก็รู้ว่าจะตัวรัตดูนะและพวกทัานก็จะถูกนำนำกลับไปยังพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเบิดเผยอะลี้ยมลอยอยู่เฉย คืออัลลอฮ์ที่รู้สิ่งรึนลับและสิ่งที่เปิดเผยจะกลับไปหาอัลลอฮ์หมายถึงวันในวันเกี่ยมาฝ่ายอยู่ในบิอุกุมแล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านในสิ่งที่พวกท่านทําไว้ถ้าหากว่าทําไปแล้วไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวระซูลไม่เกรงใจระซูลไม่เกรงใจผู้ศรัทธาแล้วทําไปทํามาจนรู้สึกว่าที่ที่ตัวเองทํานี่นะไม่ผิด ก็ทำไปถึงจะมีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยทำแบบบาปแบบนี้โดยไม่สำนึกผิดนะวันเกียรมากก็จะต้องกลับไปหาอ AH, ัลลอฮ์อัลลอฮ์จะแจ้งสิ่งที่ได้ทำไว้อิมหมายมนีกะซิดได้บอกว่าอาญานี่เป็นการตักเตือนกลุ่มมุนาฟิกีนที่เขาไม่สำนึกผิดแต่เครื่องมือในการตักเตือนเขานี่หนึ่งเตือนด้วยด้วยอัลล์หมายถึงว่า ให้เขาเนี่ยได้ย่ำเกรงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าอัลลอฮนี่รู้นะสิ่งที่พวกพวกเจ้าทานะอัลลอฮ์ทำไม่กลัวหรอกเก่งใจนบีเนี่ยนี่ในชีวิตในชีวิตของเขากับท่านนบีอันนบีอยู่อยู่กับพวกกันนี่ไม่เก ok, ok ah e ok ok ah ่งใจนบีบ้างหรือทำไปสิแต่ทําอะไรเนี่ยนบีก็รู้อ้าวไม่เก่งใจนบีพอพวกมุนาฟิกินเนี่ยแม้อัลลอฮ์รู้แต่เขามีพรรพวกบางส่วนของพรรพวกนี่ก็เป็นผู้ศรัทธาเหมือนกัน ไม่เกรงใจผู้สตาบ้างหรือแต่แสดงว่าอิทธิพลของผู้สธาในสังคมมีประโยชน์ในการยับยัง้งมิฉะนั้นมารยาทแห่งความละอายมันจะไม่มีประโยชน์แต่ทำไมอัลลอฮ์เสรนเสินและท่านนับดยกย่องคนที่มีความละอายเพราะความละอายนีนเราเกรงใจทั้งเกรงใจอัลลอฮ์นี่สำคัญที่สุดเนี่ยายอัลลอ์นี่อันนี้เรื่องสคัญแต่ ท่านนาบีสันเสริญคนที่อายคนด้วยการอายคนนี่ถือว่าอยู่ในมารยาทที่น่าสันเสริญเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ๋ออายคนนี่แสดงว่ากลัวคนนี่ไม่กลัวลอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่อายคนนายคนนค น, นจะไม่ให้เราเข้านรกหรอกแต่เราอายเนี่ยเพราะเราไม่อยากให้เขารู้ความผิดความบาปความผิดหรือบาปที่เราได้ทําเราไม่อยากให้เขารู้เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เรามีคืออายชาวบ้าน คนหมูมินูน่นต้องมีแล้วถ้าน บ, บีเสียชีวิตแล้วน บ, บีจะรู้ไหมน บ, บีเสียชีวิตแล้วนี่ก็คือในอาลัมบาร์ซักนี่ในกูโบเนี่ยที่มีหลักฐานว่านบีรับรู้การกระทําของผู้สธานี่มีเรื่องเดียวที่มีฮ a ดี s ซูฮียาชัดเจนั่นก็คือการ ที่เราสละาวัดละลมต ا م ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมท่านนาบีบอกแล้วาลาก็มีมาลลยก์กาเสียหินมีมาลลย์กาหนี่เป็นตะเว น, ตะเว น, เ น, นตะเวนแผ่นดินตะเวนไม่ใช่ชายแดนนะตะเวนพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยไปทุกที่ได้ยินใครสละวาดต่อท่านนาบเนีเขาก็จะเอาสลามสละวาดของเราเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งท่านนาบีอาสแสดงว่านาบีรู้ไงใครคนไหนที่ไหน เวลาไหนสละวัตรท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีรู้อย่างไโอโหประชากรนี่สลามตอนนี้สองพันล้านสละวัตอท่านนบีนบีจะรู้ยังไงอาลัมบาร์ซักเนียงที่บอกโลกแห่งบาร์ซักนี่มันก็คนละคนละกติกากับโลกนี้คนละเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตอนนั้นนะนะเราไม่ต้องเอากฎเกณฑ์ของโลกนี้เนี่ยเว้ ไปบังคับน บ, บีบอกก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นยังไงนี่เราไม่รู้เกิดขึ้นแน่นอนแต่การกระทำอื่นๆเนี่ยการงานอื่นๆเนีบบ่ยนบีจะรู้ไหมตอนที่น บ, บีอยู่ในกูโบร์อยู่ในอาัมบเรื่อน บ, บีจะรับรู้ไหมมันมีฮะดีสูบทหนึ่งซึ่งเป็นฮะดีค่อนข้างไดฟ์ไดฟมากมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุบเกี่ยวกับบร้นลับเนี่ย ไม่ควรที่จะเอาเรื่องฮาดิษฎาเนี่ยมาใช้เพราะสิ่งริกลับเนี่ยมันจะมันจะมันอาจจะเป็นอักีดได้ก็ได้เป็นความเชื่อไม่ควรเอาฮะดิษฎายิบมาใช้มันมีาดษฎยิบว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมบอกว่า “حياةي خير لكم وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم” ิัะมีนี่ย “حياةي خير لكم تحدثون ويحدث لكم” ชีวิตของฉันเนี่ยดีสําหรับพวกท่านพวกท่านทําอะไรก็จะมีกุนอ่านถูกประทานลงมานะพ่อนบีมีชีวิตนั่นจริงว่าว่าแฝตีคอยรุนละกุมและความตายของฉันเนี่ก็จะดีสําหรับพวกท่านตรวอะลลอฮ์ตัวอาไยะอัลมาลุกุมการงานของพวกเจ้านี่จะถูกเสนอต่อฉันฟาอินรอยทูไครันฮามิดตุลลอห์ท่านได้ ได้เห็นเรื่องดีการงานผลงานดีของผู้สัทธาประชาชนของฉันนี่ฉันก็จะขอบคุณโอเอ็นรอยตูชารรนิสตอรฟาลุตุและกุ่มแต่ถ้าฉันเห็นผลงานเลวร้ายเลวทรามของพวกเจ้าของประชาชาินั้นข้าพเจ้าก็จะขออภัยโทษให้พวกท่านอาดิสนี้ตอีฟจิดดันะันท่านว่าก็มองดู้วยซ้ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านนาบีจะรู้รับรู้มี ผรูบางท่านบอกว่าฮาริสโดยิบก็จริงแตะกะ่ก็พอใช้ได้และจากการที่ยอมรับฮาดิสนี่ก็เลยวางมาตรฐานความเชื่อว่านบีรับรู้ผลงานของเราทุกอย่างแล้วก็ขอดูอาให้เราด้วยส่วนมากที่จะเชื่อในฮาริส น, น, นี่ก็คือกลุ่มซูฟีเชื่อโอเชื่อมากเลยนะฮาริสเชื่อเชื่อแบบจริงจังเลยอะ แล้วใครที่ไม่เอาด้วยก็บอนี่ไม่รักนบีแล้วนักนบีไม่รักนบีไม่เกี่ยวกับเรื่องนบาดิสไม่เกี่ยวเลยเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าดิษนี่เนี่ยใช้ได้นะเขาเนี่ไงมันถูกสมทบในเนื้อหาของอายะนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าฝ่ายเซยร์อ um uh ัลลอฮ์ว่ามาลุมวะรษูนุอุอัลลอฮ์ส่งเห็นการงานอเจ้าและรษูลของรองค์ด้วยก็เห็นก็เห็น อลมาส่วนมากตีความอายะนี่หมายถึงว่าเห็นในชีวิตของท่านนบีไม่ใช่หลังจากเสียชีวิตแล้วในชีวิตนี้แน่นอนนบีเห็นรู้เห็นแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่อัลลออนุญาตให้เห็นแล้วก็รับรู้เพราะบางอย่างนี้นบีก็ไม่รับรู้นบีไม่รู้ในบันทึกของอิมามบุคารีและมุสลิมถีท่านนบีเดินทาง กลับมาจากสงครามสงครามหนึ่งแล้วก็ท่านหญิงไอชาเนี่ <c oughs> ไปกับท่านนาบีพอในสงครามแต่และสงครามท่านนาบีก็จะจับฉลากแล้วก็าพาภรรยาของท่านนี้บางท่านไปด้วยท่านหญิงไอชานี่ทําสร้อยของนางนี่หายไปจนกระทั่งนบีต้องยอมให้กองทัพเนี่ยเดินหน้าไปก่อนแล้วก็เขาจะรอกับท่านหญิงเขาจะได้หาแล้วก็จะเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ที่ ท่านอิงอางชาเนี่ยจะต้องล่าชาแล้วก็ท่านนาบีรอหาพอไม่เจอนบีก็เลยเดินทางแล้วก็ให้ท่านอิงอางชาเนี่ยอยู่จนท่านิงางชานี่เกิดเรื่องฟิดหน้าของที่มีสาวบ้าคนหนึ่งพาท่านอิงไงชาเข้ามาดีนะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ล่าชาใช่ป่ะแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าทำสีนะเบอกว่าท่านนาบีสุลต่านละซึ่ลัมถ้ารู้ทุกอย่างนี่ท่านนบีท่าน น, า บ, า น, นาบีทำไมไม่รู้แล้ววะ ซอยองท่านหญิงอาิชาเนี่ยหายไปไห น, นนะแสดงว่าบางอย่างนี้ท่านอ บ, บีก็ไม่รู้แโดยมีกลุ่มซูฟีที่ก็บอกอู้ท่านอะ บ, บีนี่รู้ทุกอย่างเพราะละเปิดอัลลอฮ์ได้เปิดผ้าม่านแห่งเก็บผ้าม่านเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนียให้ท่านนะ บ, บีดูหมดเลยนะ บ, บีรู้หมดเลยโอ้รู้เนี่เรื่องการเลยเถิดในเรื่องเนี้ยมันก็ไม่แากอะไรกับพวกชิอาเนี่ย ท so right. right ี่มีความเลยเถิดกับอิหม่ามสิบสองของเขาอิหม่ามสิบสองนี่ก็รู้เหตหมดเลยทุกคนเนี่ยรู้เหตหมดเลยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีอายะมีฮะดีชัดเจนนี่ก็คือเรื่องเหตุสิ่งเรื่องลับนี่ไม่มีใครรู้นบีก็เหมือนเรานี่เรื่องสายตาของท่านนบีนี่ก็สายตาเหมือนเรานี่แหละอะในชีวิตของท่านนบีนบีเห็นแล้วก็รู้พฤติกรรมของพวกเจ้าเสียชีวิตแล้วนี่นบีจะรู้เฉพาะเรื่องศุลวาตสลามของพวกเราแสดงว่าเรื่องอื่นไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ เอาแล้ววันเกียรมาล่ะวันเกียร์มาวันเกียร์มา น, น, นี่ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันการ ง, งานโดยเฉพาะการงานที่เลวซามน บ, บีก็ไม่รู้ในบอ่อน้ําของท่านน บ, บีที่เราจะไปดื่มน้ําเนี่ยอุ้มมาของท่านน บ, บีแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่จะ ก, กีดถูกกีดขั้นออกไม่ให้ดื่ม <c oughs> น บ, บีก็บอกว่าโอ้ oh, Allah ประชาชนของฉันแล้วก็จะบอกว่าอินนนกะลาเตดรีมาอัพดัสูบาดเจ้าไม่รู้ละ สิ่งที่เขาได้ทำมาสิงที่เขาได้ขนขวายมาเจ้าไม่รู้อแสดงว่าน บ, บีไม่รู้มีหลายอายะหลายอะดีสเนี่ยพอพิจารณาแล้วนี่ใครที่จะอ้างว่าท่านอ บ, บีในกุโบรหรือในวันแก่ยร์มัจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผลงานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีตัวบันลักตันไม่สามารถเอามายืนยันได้แต่ที่น่าสนใจอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาอแต่ในชีวิตผู้ศรัทธาเราก็รู้เท่าที่เรารู้ไง ชีวิตในชีวิตเนี่ยคนนู้นทำความชัว่วถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นหรือมีหลักฐานานานานารู้และนี่ความรู้นี่แหละความเห็นความรู้นี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าให้พวกเจ้านี่โอ้คนที่ยังไม่สำนึกนี่นะให้เก่งใจการรู้การเห็นของผู้ศรัทธาด้วยแล้วถ้าผู้ศรัทธาตายแล้วล่ะเขาจะรู้ไหมผลงานการงานของคนอื่นไม่ใช่คนทั่วไปนะ คนเรานี่เสียชีวิตแล้วนี่เสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตแล้วจะไม่รู้การงานของทุกคนน่นไม่ใช่แต่อาจจะรู้ผลงานของคนใกล้ตัวสมาชิกครอบครัวคนที่เรารักคนที่เราสนิทสนุบ อ, อันนี้เนี่ยมีตัวบทหลักนะอันนี้น่าสนใจในบันทึกของอิห ม, มัมอับดุลมบารกและอับดุอบิดุนยาและอับดุอาดีฟอัลคาเมล อิมาม عراق ีได้บอกว่าเป็นอิสเนตเจียดอิสเนตีเจียดดีเชือขับานีบอกว่าเป็น h a d s ี่ถูกต้อง h a d i นี้รุ่งงันโดยอบูอาย و บอัลอัลซารีกล่าวแสดงว่ามันเป็นคำพูดของสหาบะไม่ใช่ของรัศดุ์คำพูดของสฮาบะแต่มันเป็นคำพูดในเรื่องที่เป็นเร้นลับอัลลอฮได้บอกว่า ของพวกนี้เนี่ยก็ได้คามากูฟุลลัฟซันถือว่าเป็นคำพูดของซาบะโดยสานวนนะว่าซาบะเป็นคนพูดแต่มารฟูนมาหนันแต่โดยเนื้อหาเนี่ยซาบะเนี่ยพูดด้วยตัวเองไม่ได้เนื้อหาเร้นลับแบบนี้เนี่ยต้องมาจากนาบีอย่างแน่นอนจึงสามารถบอกได้ว่าเนื้อ น, นี้เนี่ยมีฮุกม์เหมือนเป็นหะดีสจากนบี صلى الله นะะแบบนี้อะไรที่จะเกิดในกูโบนี่เขาจะรู้ยังไงอบุยูบัลลังศรไม่รู้นอกจากว่าต้องมีวายูที่มายังท่านนบีแล้วกับนบีตัวท่านนบีเองก็จะไม่รู้ต้องมีวายูอิจักุบิฎะนัฟซุลอาบดีถ้าเบาของอัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดเนี่ยเสียชีวิตถูกยึดวิญญาณไปแล้ววิญญาณวิญญาณเนี่ยก็จะไปกูโบงะ ตักข้าว أهل الرحمتي من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا คนดีในกูโบเนี่ย أهل الرحمتي อะเราไม่แตาเขาที่อยู่ในกูโบนะที่อยู่ในกูโบเนี่ยพอมีคนตายคนดีๆเนี่ยตายมาแล้วก็ถูกฝังในกูโบเนี่ยเขาจะมาต้อนรับเรากาลังพูดถึงโลกโลกบาร์ซักนะซึ่งโลกบาร์ซักนี่สิ่งที่มีชีวิน ไม่ใช่สรีระร่างกายของเรานะที่มีชีวิตนี่ก็คือวิญญาณวิญญาณนี่มันตายไหมวิญญาณตา ย, ยไหมตายไหมไม่ตายวิญญาณกะไม่ตายวิญญาณนี่วิญญาณนี่ไม่ตายเลยอู่ขอลยนะวิญญาณเป็นนิรันด์เป็นสิ่งอมตะไม่ตายรู้กันไหมเนี่ยรู้กันไหมเนี่ยวิญญาณนี่ไม่ตายนะ ที่ตายหนึ่งร่างกายและร่างกายรื่งตายนี่เพราะอะไรเพราะวิญญาณออกจากมันนะ่ะวิญญาณนะ่ะที่ทําให้เรามีชีวิตฉะนั้นวิญญาณนี่มันคือชีวิตเนี่ชีวิตที่แท้จริงจะไม่ตายคนดีก็คือวิญญาณของเขานะมาต้อนรับคนดีคนใหม่ที่เพิ่งตายก็มาเอลก้าัลบาชีอัลฟดุเนี่ยเปรียบเสมือนในดุนยานี้นะเวลามีคนนําข่าวดีมาโอ้เนี่มา ชุมนุมมารวมกันเลยเนอะมีข่าวดีอะไรไหมฝยุควิลูนาล่าอะไรลียอสเอลูเขาก็รีบไปหาเข า, ขาลียอสเอลูจะได้ถามเขาฝยักูลูบางดูมีบางดินคนที้ออกไปต้อนรับเนี่ยก็หมายถึงว่าชาวกูโบรุน่นเก่าเขาก็จะบอกกันบอกว่าอันซิรูอัชฮะกุมฮัดเตสต์ริ่นเด็กคนนี้เพิ่งถามเขาให้เขาพักผ่อนคนให้พี่น้องที่เพิ่งตายมา ให้เขาพักก่อน ح ت ตสั่งยา ف إ ه เพราะเขาเพิ่งพบกับความทุกขนะ์่ะทุกข์ น, นันคือความตายไงและการจากจากพี่น้องคนที่เขารักอนนี่คือความทุกข์ฝยุบิลน ف ف ูน่ะอะไสอลูน่เขาก็เข้าไปหาเขาแล้วก็ถามว่ามาฟาลาโลัสไอ้คนคนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง แล้วก e, ็ผ so ู้หญิงคนคนั้นเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังเพลกแตะว่จะไม่งินด้วย فإذا سأل عن الرجل قد ما تقبله ถาว่าเขาถามถึงชายคนคนหนึ่งหรือคนคนคนหนึ่งไม่ใช่ชายคนคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนหน้านี้ก่อนคนที่เขากำลังคุยกับเขาเนี่ยแต่เขาเสียชีวิตก่อน เขาตายก่อนนะนี่เขาตายก่อนฉันนะ่ะตายแล้วและไม่มีโอกาสได้มาชุมนุมมาคุยกันแบบนี้แสดงว่าถูกนำไปดูฮิบบิฮอิลาอุมมีลิลาอุยถูกนำไปตกเหวหมายถึงว่าไปอยู่ในพื้นที่แห่งการลงโทษในอาลัมบาร์า แฟ บ, บิเซติลอุ่มมัวบิสซิลมูรบเบียเลวซามหรือเกินมารดาของเขาแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงของเขาอันนี้อุปมามานดาของเขานี่ก็หมายถึงว่าหลุมหลุมที่จะตกเหวไ้เนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่พอเราบอกในว่าอุมมัวฮาวิเอหมายถึงว่าที่กับของเขาเนี่ยเปรียบเทียบ หลุมในเหวเนี่ยที่เราจะไปตกในมันเนี่ยในนรกนี่นะเปรียบเสมือนอกของแม่ที่ทุกคนเนี่ยเวลาไปกอดแม่เนี่ยจะรู้สึกถึงที่กับของเขาเนี่ยว่ามันจะจบที่พอกอดแม่นี่แล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นอันนี้เป็นการเย้ยว่านี่นะที่กับของเขาเนี่ก็คืออุ้มมูอเหมือนเหมือนคนดีเนี่ยเขาชอบกอดมารดาของเขาเนี่ยไอ้นี่มันจะชอบกอด มันดาของมันนี่ก็คือหลุมในเหวของนรกวิเซติลมรูรบเบียได้เปรียบเทียบที่กับของเขาเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นสิ่งที่เลี้ยงเข้านี่ยคเพราะอะไรเพราะเหวนี่มันพบผลงานของเราไงแล้วผลงานของเราที่หลอเลี้ยงตัวเราเองในสุดท้ายนี่ยนําพาเราไปตกเหวนี่นรกกาละฟาอูอรดุอาไลหิมอัมาลุฮุม <c oughs> ไอ้คนคนนั้นที่เพิ่งตายนี่นะก็จะมาเล่าบอกว่าเอาคนนู่นเป็นอย่างงี้มีผลงานอย่างงี้ก็าทำดีก็ทำเขาทำชั่ว فإذا เราเอาศานถ้าเขาได้เห็นว่ามีผลงานดีๆของญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาฝรยูฝรยูวอสต์ตับชรุก็จะดีใจว่าก้าลุฮะดีนิ่มมัตุก้าล่าอาบดิค้อนี่คือความโปรดปรานของ พระองค์ต่อเบาที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทําผลงานดีจนเราได้รับรู้ผลงานดีขอให้เขาได้ทําความดีให้ครบถ้วนว่เอ็นเราเอาสู้อันแต่ถ้าหากว่าเขาเห็นผลงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็คนที่เพิ่งตายนี่มาเล่าให้เขาฟังเนี่ยก็รูเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮุมมาราจีอบิยับดิกะอิเดะโปรดประวิงเวลาให้เบาของพระองค์ด้วยเขากับเนะื่องกับตัว จะขอด้วยสแสดงว่า น, นี่นี่เป็นหลักฐานว่าคนที่เสียชีวิตแล้วนี่มีโอกาสที่จะรับรู้เสยรอนีจะรู้รู้ผลงานของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเฉพาะคนใกล้ตัวพี่น้องเาี่ยพี่น้องเพื่อนฝูงเครือญาติอะไรเงี้ยรู้พ่อนี่ที่เสียชีวิตแล้วนี่ก็จะรู้แต่ได้พบคนแบบเนี้ยลูกฉันเป็นยังไงบ้างลูกฉัน ทำอะไรบ้างละหมาดไหมลูกฉันแต่งงานหรือยังหัดีสิกบทหนึ่งนะครับตะกีนี่ัดีสของอบดอายูบเป็นัดีสมาควูฟนะัดีสอันนี้เป็นหัดีสนะส่วนเจ้าเป็นหัดีสของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมบันทึโดยมมนซาอีมัมบ์นูฮิบานอิมัมบลซาร์มัมพากิมิมัมเบยฮักีอิรักีเขบอกว่าอิสนาดของเจียใจ้ได้อิมรุเมิอบอกว่า صحيح เชื่อกันไก็บางคนมีฮัติสุ่ยนะสบายใจนะว่าฮัติส์นี่ฮัติสุ่ยเรื่องงานนี่ท่านนบุห์รีรอท่านนบีสัลลัลลอฮุซุ่ยลามกล่าวว่า“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“” อหนึ่งสีขาวเนี่ยมาต้อนรับวิญญาณของเขาฟยกลูนะฮุรุจีรอดียันรอดิยันมารดิยันนั่กี่ได้ปรดออกเถิดออกจากร่างของตัวเองเนี่ยมาเลยแก้งความเมตตาเนี้ก็จะบอกกับวิญญาณนะวิญญาณเราเนี่ยอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺมัชอัลลัมได้ปรดออกจากร่างของ ของร่างของตัวเองรอดีอยต์ตนด้วยความพอใจมารเดี่ย์ด้วยความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ต่อเจ้าอิละรูห์อัลลอฮิวะไรฮันไปสู่ความประสงค์และความเมตตาของอัลลอฮ์ س ب ح าล ه และก็ความดูแลของอัลละฮ์ سبحانه และก็วรรบินไร่รับบ้านออกไปสู่พระผู้อภิบาลที่ไม่ ไม่คร um, ีวต่อเธอต่อไปอีกว่าจะ خروج ก็อาถยาเรีภิลมิสกีวิญญาณก็จะออกจากร่างด้วยกลิ่นหอมกว่ากลิ่นมิสก์กลิ่นชะมดเชียงฮ حتى إنه لا يتناوله بعضهم بعضاً تنكتن م ل ا ي ك ا ن ي นก็จะพยายามทุกคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะรับบุญญาณเนี่ย ก็จะรับบุญญาแล้วก็นําพาไปเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าฮัตตายะตู้ในบิธีบัสสมาจนถึงประตูฝากฟ้าแห่งแรกเนี่ย Fayette ق า ل و ن ما الطيبة هذه ا ل ล ي ح التي جاتكم من الأرض มาเลก้าที่เฝ้าอยู่ฝากฟ้านี่บอกว่ากลิ่นนี้ช่างเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่ดีเหลือเกินที่มาจากโลกนี้ ไฟตู้นบีอารัวฮัลมุมินีน่ะเพราะถูกเสนอแล้วในฟาฟ้าเสนอแล้วต่ออัลล์ س, ن ن س, ن س ب, ب, ب ن ه และก็ดาระมาลย์แกงเขก็จะนาวิญญาณเนี้ยไปพบกับอรัวฮัลมุมินีนพบกับบรรดาวิญญาณของบุตสะท้าที่อยู่ในกูโบละฟาเลห์มอาชัดดูฟาร์ฮันบิฮีมินอัฮัดิคุมบิกรอีบิยาคดุมอัลเลย์บรตดาวิญญาณ ที่วุณิค โ, โบจะดีใจมากต่อการเข้ามาของวิญญาณคนใหม่ที่มาเนี่ยในคุโบเนี่ยมากกว่าที่เราเนี่ยตอนอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีคนที่หายไปจากเราเนี่ยเป็นปีๆแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ป๋อมเราก็ดีใจมากใช่ไหมเราก็เนี่ยจะดีใจมากกว่าพวกนี้เฟสอาลูนะฮูวิญญาณผู้สตานเนี่ยก็จะมาถามคนที่เพิ่งตายใหม่นี่นะถามวิญญาณเขาเนี่ยมาดะฟะละาฟุลาน คนคนนั้นจะถามเรื่องบางแม้จะ فعل ฟูลานฟะย์ก็ลูน์ดะอูฟอินห์เขาคานะฟิหมมดุนยบางคนก็บอกว่าปล่อยให้เขาเาพักก่อนเพราะเขาเพิ่งมาจากความทุกข์ของดุนยาฟาอ ا ดากาล ا ะอ ا ม م ากุมถ้าเขาถามถึงคนคนหนึง่งแล้วก็คนที่เพิ่งตายนี่จะบอกว่าอา้าคนนี้ยังไม่มาหรอหมายถึง เ, เขาตายแล้วเขายังไม่มาหรอแสดงว่า เขาตายแล้วแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาชุมนุมในพื้นที่ที่เป็นพาคพวกเดียวกันญาติพี่น้องเดียวกันเนี่ยก็ลู้ออ oh, ไม่มาดุฮีแบบวิฮีอิละอุมมีิละถ้าไม่มาแล้วนี่ไม่ได้รับอนุญาตมาชุมนุมกันแบบนี้เพราะอันนี้สำหรับวิญญาณที่ถูกเมตตาเท่านั้นนะ่ะนะถ้าไม่อยู่ตรงนั้นนะ้ะนั้นนะ่ะก็เป็นสั ญ, ญาลักษณ์ว่าถูกลากไปนู่นเาวเฮว وإن الكافر إذا حطدرني تكافرني ذ ا حطدرة. เได้ถึงอัจลางนี่เธอถุมาเลก้ตัวอาเจบมาลก้าแห่งการลงโทษได้มาบิมสเซนด้วยผ้าผืนหนึ่งที่หยาบที่สุดไฟกูลูนักรุจีซากิตตันมาซคูตันอาไลกีเธอได้ออกมาออกมาเพราะเธอถูกกริวหมายถึงว่าอัลลอฮ์กริววิญญาณตัวนี้แล้ว มัศขุตันเอาลัยเอาลัยคีไปล ع อาดับอีลลาห์อลงโทษของอัลลอะอ์เนียรีฮีจีฟตินออกจากวิญญาณด้วยกลิ่นที่เหม็นที่สุดเหม็นกว่าซากศพของสัตว์ตัวหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วฮัตต ا ยอัต ب นอะบีฮิบะบัลอาจนได้นำวิญญาณวิญญาณของกาเคนนี้เนี่ย ไปถึงประตูประตูแห่งฟากฟ้าของโลกดุนยานี้ไปอากูลูมาอันตาเนฮาดีเรียมาเลกาก็จะตําหนิและประนามวิญญาณนี้ว่ามีกลิ่นเหม็นเหลือเกินฮัตตายะทูนบีอารัวฮะลกุฟฟาร์จนกระทั่งได้นำมาเลกาแห่งอาซาบนี่ก็จะนําวิญญาณของกาเฟรคนนี้เนี่ยไปร่วมอยู่กับวิญญาณของบรรดากุฟฟาร์ในกุโบ นี่เป็นสังคมนะเป็นโซเชียลนะเป็นสังคมเหมือนสังคมในโลกดุนญยนี้เลยสังคมในกูโบมองข้าไม่ได้แล้วมันมิติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้จัดเตรียมอะไรหลายอย่างเพื่อรองรับชีวิตของเราในสังคมในกูโบก่อนตานี่ฝากลูกกับคนนูน่นฝากเรื่องบุญดฉันจะตายแล้วฉันจะ ฉันจะไม่ไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยบางคนยัง่ยเขาจะอย่างนั้นนะไม่รับรู้อะไรลูกหลานของฉันนี่เป็นยังไงฉันจะไม่รู้ไม่นะตัวเยังยังตายแล้วยังรู้นะลูกเป็นยังไงที่สั่งสอนให้ละหมาดที่ละหมาดหรือเปล่าที่สั่งสอนให้ทํานู่นทํานี้เนี่ยเขาทาหรือไม่ได้ทํารู้นะแสดงว่าเราเตรียมอะไรบางอย่างนี่นะหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียชีวิตและก็มีคน ที่รักของเขาที่สเห็นพ่อเขาเสียชีวิตแล้วแม่เสียชีวิตแล้วนี่เราต้องเตรียมความรู้สึกที่มาจากตัวบทแบบเนี้ยให้ปรับชีวิตของเราบ้างนี่ถ้ามีคนมีชีวิตเนี่ยเรายังอายเขาเลยแต่คนเราส่วนมากถ้าคนที่มีชีวิตเนี่ยที่เราอายเขาพูดหละกข้อใถ้าเขาตายแล้วนี่นะเราจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจเพราะอะไรอ๋อเขาค ง, งไม่รับรู้อะไรแล้ว ไม่นะไม่ใช่นะพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วนี่เขารับรู้นะเจ้านายตายแล้วก็ยังรับรู้นะเพื่อนสนิทนี่ตายแล้วก็ยังรับรู้นะเราไปทำอะไรมาบิดผิวอะไรกันหรือเปล่า<ฮ>แต่ที่สำคัญไอ้ที่ตอนตายเนี่ยจะไปอยู่ในโซเชียลไหนอยู่ในสังคมประเภทไหนถ้าเข้าไปนี่แล้วก็เจอไบดินเนทนยาฮเนโะ นั้นรู้เลยรู้เลยว่าถึงแม้ว่าถูกฝังกูโบอยู่นี่อยู่ ใ, ใกล้สุรานะแต่พ่อบอกแล้วเนะี่ยวิญญาณเนี่ยไม่ไม่เกี่ยงอุยยังไม่เกี่ยวกับสถานที่พ่อเสียชีวิตที่มั ก, ก้าลูกเสียชีวิตนี่นี่ของตันเนี่เ <AM> จอกันคุยกันได้นี่ขนาดเพื่อนกันยังคุยกันนี่เ <AM> พื่อนี่พูดถึงเพื่อนนะเขาไม่ได้พูดถึงพ่อกับลูกนะนี่ขนาดเพื่อนกันยังเจอกันเลยยังคุยกันเลย แต่ไม่เกี่ยวกับสถานที่แล้วนะเพาวิญญาณวิญญาณ น, นีความเร็วในการเคลื่อนที่ของวิญญาณ น, นี่มันไม่มีมิติของเราเนี่ยแล้วเราไม่รู้นะว่าบารสักนีบารสักนี่มันหมายถึงว่าเราฝังนะว่าเราฝังเมืองไทยคนหนึ่งฝังอเมริกาอย่างเงี้ยแต่บารสักนีเหมือนทั้งหมดนี่เราจะมาอยู่ในที่เดียวกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราอาลัมวิญญาณทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันความเข้าใจว่าให้ฝัง ฝังฉันไก่มะปะฉันตรงนี้ตื่นแล้วจะได้คุยกันบ้างเอาหมายถึงว่าถ้าฟังถ้าฝังที่อื่นก็จะไม่คุยกันหรอไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าจะ่ปะมาเป็นคนดีนะและเราเนี่ยไม่ใช่นคนดีนะอันนี้เนี่ยที่ไม่มีโอกาสอาจจะเจอกันในอาราบอราซ่าถ้าเขาเป็นคนดีนี่นะก็ทําทความดีจะได้ตามไปอยู่กับเขาเป็นคนดีเหมือนเาัาอันนี้เนี่ยที่น่าสนใจมาก ซีบเนียนจักรวาลว่าเจ้ารับพนะเจลองควะอแะพะเจ้าพระเรจาะระ้เจ้าพระัจ้าาพรเจ้าเ้าพระเะะา้เาเราเ้า้เ้ร้เา้ร้ะา้าารจะร้ะา้ะาาะเเ ไม่ใช่ว่านบีจะรู้ทุกคนในมุสลิมทุกคนกคนี่มีผลงานผลดีผลเสียอะไร น, นบีไม่ไม่ใช่ก็ไม่จะรู้หมดทุกคนจะรู้เท่าที่อัลลอฮ์ให้รู้ผู้ศรัทธาก็เช่นเดียวกันจะรู้ตอนมีชีวิตนี่เราจะรู้เท่าที่เราดูดู้ได้ตามเครื่องมือเครื่องม้าที่เรามีเสียชีวิตแล้วเราจะรู้สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เรารู้แต่มันก็มีโอกาสไงนี่โอกาสถามแล้วก็ เขายังจะส่งปรารถนาดีย่ารุูนะส่งปรารถนาดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถขอดุอาให้เราแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลบรรซักนี่มันไม่ใช่โลกแห่งการทำความดีหรือทำความช่วยแล้วไม่มีไม่มีไม่มีผลแล้วเขาได้แต่ปรารถนาหวังว่าเขาจะสำนึกหวังว่าเขาจะทำความดีนี่ว่างยางเดียวมันไม่มีผลแล้วดุอาอะไรนี่ไม่มีผลแล้ว อีกขดีสึงไมหมขอดีสึงเพราพวกเรื่องนี้น่าสนใจนะน่านสนใจคนที่เสียชีวิตที่เรารู้จักเข้าเซนิเซนมกับเขาแล้วเขาเป็นคนดีวิญญาณของเขานี่ก็จะไปพบประกับวิญญาณของคนดีนอันนี้ชัดเจนเลยนะขอดีสลูกสาวของอิสมาอิลไม่ใช่ลูกสาวที่ลูกสะภ้ย ขออิสมา يل ฮานีอาผู้นําของอามาสานะพอลูกชายเขาสองสามคนแล้วก็หลานๆเขาเสียชีวิตเนี่ยหลายคนเนี่ยแล้วก็มีวิดีโอนี่ว่าลูกสะพ้ายเขาคนหนึ่งก็พูดกับสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฝากสลามกับท่านนารีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าคนก่อนจะเสียชีวิตหรือคนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเชฮีเนี่ย คนที่เป็น شهيد นี่ท่านนบีสุลตานเลมเรียะว่าเป็น شهيد นะคนตายทุกคนเนี่ยก็จะได้ยินก็จะได้ยินและในเมื่อเราเชื่อว่า شهيد นี่ก็ได้ยินและเชื่อว่าวิญญาณแห่งคนของคนดีเนี่ยก็จะไปพบกับวิญญาณของคนดีน้ำนี้เราก็ฝากสลามได้เราก็ฝากสลามก็เราสลามแบบฝากสลามแบบเนี่ยคนไปทำฮัทแล้วก็ฝากสลามอย่างเงี้ย คืออันนี้เนี่ยมันไม่ชัวร์ว่าแต่เขานี่ยไปสละวันหมายถึงว่ามีคนเนี่ยก็ไปกูโบนบีนะนี่ก็ยืนนานทั้งนั้นที่ซุนหน้าของท่านนบีให้เราให้เราสลามแล้วก็สละวาัตหน้ากูโบของท่านนาบีก็สิ้นเรื่องแต่ น, นี้มีคนเนี่ยมีลิสไงโอ้หนี่กวจะขึ้นเครื่องนี่ฝากสลามนะนบีนะั่นนะฝากสลาม น, ะนาบีนนะลิสเลยพอไปถึงที่นู่นเนี่ย บางเอมกับฝากสลามเนี่ยนิซากับฝากสลามเนี่ยกัฝากสลามอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรเนี่ยเพราะไอ้คนเป็นเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยว่าถ้าเขานี่ถ้าอะไรเนี่ยเราไม่รู้คนที่เราฝากสลามเขาเนี่ยอะเข้าไปละหมาที่มัสยิดนบีไปเสียหรอกูโบนบีมากกว่าหรือเขก็ขขขตามไปตามเดินห่างแคปซี FC, มากกว่าไปละหมาที่มัสยิดของนบี แทนงั้นเราสละวาดเองสลามเองแล้วก็มาลาอิกะไปส่งให้นาีอันนี้ชัวร์กว่าอ้าวแล้วถ้าคนตายะอะไรที่อย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนตายแล้ว ش อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมีความชัวร์มากกว่าคนเป็นเสียชีวิตในลักษณะหวังว่าจะเป็นคน شهيد และการที่เขาจะนําไปคุยกับคนดีเนี่ยก็มีโอกาสสูงตามตัวบทที่ที่ได้บอกไว้แสดงว่า เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทาได้นะครับอาหาดีสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดหาดารนี้ก็ใช้ได้นะอิสตัดูฮัสันเชคัลบานีบอกว่าเป็นฮันรืงานด้อบูฮุรามิกันท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิลมกล่าวว่าอินเนลมุเอมินะฮีนยันซิลบิ ل ์ลโมตูมุเอมินแท้จริงมุเอมินเนี่ยเมื่อความตายได ได้มาประทับได้มาเยือนเขาแล้วเนี่ยวายุอาญุมาอยู่อาญุและประสบกับความเดือด ร, ร้อนของความตายเนี่ยวัดอันหนากระจัดเขาปรารถนาที่จะให้เรื่องความตายนี่มันหมดหม ด, หมดสิ้นให้เร็วๆเวขาจะได้วิญญาณจะได้ออกเสียทีเพราะอะไรวัลลหุยูฮิบุลิกาะเพราะล l ะ a h ปรารถนาชอบที่จะพบกับเขา وَإِنَّ ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي َ يُصَعَدُ بِرُوحِهِ ل َ ا ل س َ م َ ا ء ِ مُمِنِّ م َ ل ِ ك َََ ا ل ن َ م ُ و ِّ ن و ْ ح َ ب ا ل ن ف َ ق ف َ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ ل َ ق َ و ِ ي ن ِ ي َ ن كُمْ بَنْدَ أَبُو س َ ت َ ي َ س ْ ت َ خ ْ ب ِ ر ُ ن َ ه ُ جَمَعَ س َ و َ ا ب َ ة َ أ َ ن َ ن ْ م َ ع َ ر ِ ف ِ ل أ ر ض ه ِ ا ل م ن ْ ك َ ي ِّ ا แตมวินนของผู้ศรัทธานพอตายแล้วเนี่ยวินนของผู้ศรัทธาที่ที่ตายมาก่อนหน้านี้เนี่ยเาก็จะมาถามเารูนเป็นยังไงบ้างคนที่เารู้จักเนี่ยที่อยู่ในโลกนี้ยังไม่ตายเนี่ย فإذا قال ت ر <ص في> ق ت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جاء بروح ذلك إلينا ถ้าเขาบอกว่าคนคนนี้ยังไม่ตายยังอยู่ในโลกดุนยาวิญญาณผู้ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะสบายใจเพราะอะไรยังไม่ตายแสดงว่ายังมีโอกาสนี่ใครที่เป็นญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขายินดีที่เรายังมีชีวิตเพราะคนที่ตายแล้วเนี่ยมองเราว่าเราเนี่ยโชคดียังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าหากว่าถามว่าคนนั้นเป็นยังไงเขาจะตอบว่าอ๋อคนนะั้น่ะ เสียชีวิตไปแล้วฟ้ารกรุ่งทุนยาเสียไปแล้วเอา้าตายไปแล้วแต่ไม่เห็นวิญ ญ, ญาณเขามาพบพวกเราเลยเแสดงว่าไปไหนอะถูกลากไปที่อื่นแล้วถูกลากไปที่อื่นแล้วเพราะอันนี้กาลังพูดถึงวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นพี่น้องก่อนที่จะไปถึงวันเกียรมาก่อนที่จะไปรู้ว่าเราจะเข้าสวรรค์หรือจะเข้านารกเนี่ยมันมี เครื่องหมายสัญญาณอะไรหลายอย่างในกูโบอย่าว่าถึงกุโบนะแค่เสียชีวิตแล้วนี่นะก่อนที่จะก่อนที่จะพำนักอยู่ในกูโบตลอดการเนี่ยตลอดเวลานี่ถึงวันเกียมาเนี่ยแค่การพบปะวิญญาณเราเนี่จะพบปะวิญญาณของผู้ศรัทธานี่นั่นเป็นเครื่องหมายแล้วพอตายแล้วนี่ก็จะมีวิญญาณที่จะมามาม า, มาต้อนรับประเภทไหนยะถ้าเราเจอแต่คนดีอาคนนี้บ้างที่เขาละมา ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ออกจากรมสียดรถชนไ อ, นนนนอ้คนนั้นนอคนนั้นจะทาบุญตลอดเลยผมรู้ถ้าเจอพวกนี้เนี่ยนั่นน่ะทำให้เราได้อุ่นใจระดับหนึ่งว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วและอันนี้แหละครับที่อุลามาได้บอกว่าอย่าว่าทำความดีให้คนเป็นคนที่มีชีวิตเนี่ยได้รู้นะไม่ทำความดีเนี่ยให้คนที่ตายแล้วเนี่ยให้เขารับรู้ คนสนิทกับเรานิฮะพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนฝูงเราที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าเราทำความดีแล้วก็เขาไปถามกุญญาที่ตายเวลาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาทำความดีเาจะเขาจะ ส, าจะสะบายใจให้เราเขาจะดีจะยินดีให้เรานี่อวาายเสรีลราอวยรสรวลมุมินูนมุมินูนอุสตาทั้งคนเป็นคนที่มีชีวิตแล้วก็คนที่เสียชีวิตด้วย ไม่มีคุรานไม่มีฮะดีษเราจะไม่รู้หรอกอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีใครจะรู้หรอกและนี่คือประโยชน์ของการเรียนรู้อัลกุรอานและฮะดีษสุทนทรนะพี่สุทธิมิติต่างๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้รับรู้อะไรเลยเนี่ยมาจากนี่มาจากคุรานและฮะดีษมนุษย์เนี่ยไม่สามารถบอกเราได้หนังฮิเลโอดาอะไรนี่ที่ที่เขาทํากันอุปโลงขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถ เล่าข้อเท็จจริงให้พวกเราได้ดูหนังกันก็ได้แต่ดูหนังแต่จริงไม่จริงเนี่ยแต่นี่คือของจริงทั้งนั้นนะที่อัลลอ์บอกที่เราซูลบอกนี่ของจริงทั้งนั้นอยากรู้สิ่งที่ไม่มีใครรู้ในบรรดามนุษย์นี่นะทางเดียวที่จะให้เราได้มีความรู้พิเศษแบบนี้เรียนรู้กุลแานละหัดีิสกันให้เยอะนะครับฝ่ากเตนีนะครับว่าสัลัลลอฮุอะลิวรับมูฮัมมัดนลอาลีัซบุัลลัม มีคำถามไหมคือรายละเอียดนี่อันนี้ไม่มีไงเวลาเขาเดียพพบป่านี่เวลาไหนของเขาเนี่ยมิติของเวลาของเรานี่ไม่ใช่แล้วไงอ่แล้วก็หลังจากที่พบป่าแล้วหรือที่การที่เขาพบป่าเนี่ยเขาพบปะโดยที่แต่ละคนเนี่ยอยู่กับที่เขาอยู่ในกูโบของเขาไม่มีใครรู้คือบอกว่าคือเนี่ยเด๋ยพบปะกันออกหมายถึงว่าเขามาเนี่ยเราก็เราก็ต้องยืนแล้วก็ต้องมืออันนี้นี่แค่จินตนาการให้ให้ใ ห, ให้ให้เข้าใจ แต่ข้อที่จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่าเงี้ยคนเสียชีวิตเยอรมันกับคนเสียชีวิตมังจีอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วอนุมัติให้เขาพบปะ ก, กันนั่งเครื่องกี่ชั่วโมงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอย่งนั้นนะพบกันโอ้พบกั น, กนปีละกี่ครั้งอ๋ไม่ใช่อาจจะพบกันทุกวันก็ได้และอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะวิญญาณของคนตายที่พบกัน นี่วิญญาณคนตายกับคนตายแต่มีวิญญาณของคนเป็นมีสิทธิ์โอกาสที่จะพบกับวิญญาณคนตายด้วยและคุยกันด้วยและสิ่งที่เราได้ฝันเห็นคนตายคนนู้นคนนี่มีคนตายมาบอก น, นี่ทั้งหมดนี่นะแต่เป็นรุ้ยาจทั้งหมดเนี่ยก็คือวิญญาณของเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไปพบกับวิญญาณคนตายจริงการพบปะของวิญญาณนี่ยังไง พออย่างที่บอกก็นเนี่ยไปพบวิญญาณของเราเนี่ยไปพบกับคนเสียชีวิตนูน่นคนละตวีบเลยได้เห็นปะปะเสีย ท, ท, ที่มาการุณตอนไปทําฮัทนูน่นฝังอยู่ที่มาการุณพบกันยังไงวิญญาณเราอยู่นี่วิญญาณป่าอยู่นูน่นเจอ ย, อยังไงนี่คืออาลามุลบรซักโลกแห่งบรซักมีกฎเกณฑ์กติกาวิญญาณมันจะลอยมันจะบินไปย่งเร็วกว่าเครื่องบินไปซักเป็นไปได้ หรือพูดคุยกันทุกคนเนี่ยก็อยู่กันที่เนี่ยแต่พูดคุยกันกน็เห็นหน้าเห็นตากันก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เมตาเวิร์สนี่ก็ยังทําได้เลยแค่นิดแค่มองเห็นก็ยังทาได้สําหรับอัลลอฮ์เนี่ยโอ้เรื่องเรื่องจี่จีเรื่อง ง, ง, งง่ายง่ายนิดเดียวสามารถทําได้อลูกศรแล้วที่มีชีวิตขอด้วยไอพ่อแม่ที่เสียชีวิตอ่้ อ, อยิ่งแล้วเนี่ย นบี บ, บอกว่าดูอาของพ่อแม่เนี่เป็นดูามุสจับคือลูกเนี่ยที่ขอดูอาให้พ่อแม่เนี่ยเพราะเป็นผลงานของเขาแต่ตัวพ่อแม่เนี่ยดูอาสำหรับลูกนบีบอกว่าดูอาสำหรับลูกเป็นดูามุสจับอยู่แล้วมีประโยชน์แน่นอนและประโยชน์พ่อแม่ให้ลูกหรือลูกให้พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนฝ่ายหนึ่งฝ่ายไดเสียชีวิตแล้วก็ฝ่ายหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ไม่แม้กระทั่ง ไปถึงวันเกียรมาแล้วเนี่ยไปถึงว่าตายกันหมดแล้วนะลูกคนดีก็จะช่วยพ่อแม่ที่ไม่ดีพ่อแม่ที่ดีก็จะลูช่วยลูกที่ไม่ดีก่อนที่จะเข้าสวรรค์เข้านรกกันไมถึงว่าพ่อแม่มีชะฟาใหา้ลูกลูกมีชะฟาใหา้พ่อแม่เข้าสวรรค์กันแล้วแต่ไปอยู่กันคนละชั้นกันคนหนึ่งไปอยู่ห้าดาวคนหนึ่งไปอยู่สีดาวอย่างเงี้ยนะอัลลอ์ก็จะปรด โปรดปราณให้คนที่อยู่ชั้นต่ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นบนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายลูกหรือฝ่ายพ่อแม่แลที่นอมนะทั้งสอะทุอวะเราไมสุรจากพวราได้รับควมาเลับกพวกเขาบความสุรดรัยวามสุขจาพวกเาแลาัามุขจากพวกเละเราได้รับความสุขพ่อแ ม, อแม่สั่งสุขกพวาแความดีหรือกเลากพเะาบาสเลัส ก, กเาได้รมสุขแาความดี นี่คือประโยชน์ของครอบครัวที่สั่งสอนทำความดีซึ่งกันและกัน